ชนะโคชกะยี่สิบสัญญโชนะทุกะหนึ่งปฏิจจวาระหนึ่งปัจญานุโลมหนึ่งวิพังขวาระเหตุปัจจัยหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์มาศัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ทิฐิสังโยชน์และอวิชชาสังโยชน์มาศัยการมราคาสสส ะ, ราาสะสังโยชน์เกิดขึ้นศีละพทะปรามาสสังโยชน์ และอวิชชาสังโยชน์อาศัยการมาราคะสังโยชน์เกิดขึ้นมา n ะสังโยชน์และอวิชชาสังโยชน์อาศัยกามาราคะสังโยชน์เกิดขึ้นอวิชชาสังโยชน์อาศัยการมาราคะสังโยชน์เกิดขึ้นอิสระสังโยชน์และอวิชชาสังโยชน์อาศัยปฏิฆะสังโยชน์เกิดขึ้นมัชิริยะสังโยชน์และอวิชชาสังโยชน์อาศัยปฏิฆะสังโยชน์เกิดขึ้นอวิชชาสังโยชน์อาศัยปฏิฆะสังโยชน์เกิดขึ้น ภวราคะสังโยชน์และอวิชชาสังโยชน์อาศัยมานะสังโยชน์เกิดขึ้นอวิชชาสังโยชน์อาศัยภาวะราคะสังโยชน์เกิดขึ้นอวิชชาสังโยชน์อาศัยวิจิกิจฉาสังโยชน์เกิดขึ้นสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สามปัจจุบันและจิตตสมุทนานรูปอาศัยสังโยชน์เกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และที่ไม่เป็นสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ทิฐิสังโยชน์อวิชชาสังโยชน์สัมยุญตะขัน์และจิตตสมุทฐานรูปอาศัยกามาราคะสังโยชน์เกิดขึ้นพึงผูกเป็นจักกนัยสองสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่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 เพราะเหตุปัจจัยได้แก่สังโยชน์อาศัยขันที่ไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และที่ไม่เป็นสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามสังโยชน์และจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสอง 3. สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และที asm, ่ไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ทิฏฐิสังโยชน์และอวิชชาสังโยชน์อาศัยการมาราคะสังโยชน์และสัมปยุตตขันเกิดขึ้นพึ่งผูกเป็นจักกนัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และที่ไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นสังโยชน์ อาศัยสังโยชน์เกิดขึ้นและถึงอาศัยขัน 2. สองสภาวะธรรมที่เป็นสังโยชน์และที่ไม่เป็นสังโยชน์อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นสังโ ย, นงยชน์และที่ไม่เป็นสังโยชนรร์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันสามทิฏฐิสังโยชน์อวิชชาสังโยชน์และจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่เป็นสังโยชน์และอาศัยคามมารคะสังโยชน์เกิดขึ้นพึงผู่เป็นจักกนันใน ในอารมณปัจจัยรูปไม่มีอธิปติปัจจัยเหมือนกับเพตุปัจจัยวิจิกิจฉาสังโยชน์ไม่มีละถึงเพราะอนันตระปัจจัยเพราะอาวิคตปัจจัยหนึ่งปัจจญานุโลมสองสังขยาวาระสุทไนศรี 4. เฮตุปัจจัยมีเก้าวาระอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระ อนันตระปัจจัยเมือเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยมีเก้าวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีเก้าวาระอนุโลมจบสองปัจจยะปัจจนิยะหนึ่งวิพังขวาระนาเหตุปัจจัยห้าสภาวธรรมที่เป็นสังโยชสอาศัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชเกิดขึ้น เพราะหนเหตุปัจจัยได้แก่อวิชาสังโยชน์อาศัยวิจิกิจฉาสังโยชน์เกิดขึ้นสภาวะธระะมมรมที่ไม่เป็นสังโยชน์อาศัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะนเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งไม่เป็นสังโยชน์เกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองเพึงเพิ่มข้อความจนถึงอสัญญาัตยพรมสภาวะธรรมทีท่เป็นสังโยชน์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 เหมือนกับอาจวะโคจกะพึงยกณอารมณปัจจัยทั้งหมดขึ้นแสดง 2. ปัจยปัจจนยะสองสังคยาวาระสุทไนหกน่นเหตุปัจใจมีสี่วาระณอารมณปัจจัยมีสามวาระณนะอธิปติปัจใจมีเก้าวารณะณอนันตรปัจจัยมีสามวาระนสะมณนะันตระปัจจัยมีสามวาระณอัญนญะมัญญปัจจัยมีสามวาระนะ นอุปาเสียปัจจัยมีสามวาระนาปุเรชาตะปัจจัยมีเก้าวาระนปัชชาชาตาปัจจัยมีเ้าวาระนอาศัยวุณปัจจัยมีเก้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากาปัจจัยมีเก้าวาระนอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระนาชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณสัมยุติปัจจัยมีสามวาระณวิปปัจจัยมีเก้าวาระโนนัตถิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตปัจจัยมีสามวาระปัจจ尼ยะจบสปัจญานุโลมปัจจ尼ยะเหตุทุกขในเจ็ดณอรมณ์ปัจจัยกะเพรถุปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระพึงนับทุกปัจจัยอย่างนี้ 4. ป, ปัจจยปัจจิญาณุโลมนเหตุุทุกขนแป 8. อารมณะปัจจยจคบนาเหตุปัจจมีสี่วาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสี่วาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอหาาราปัจจมีสี่วาระละถึงมัคคะปัจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจมีสี่วาระละถึงอวิคตะปัจจมีสี่วาระ ปัจญญาณุโลมจบยี่สิบสัญโยชนะทุกะสองสหชาตวาระเกสภาวธรรมที่เป็นสังโยต์เกิดรูปกับสภาวธรรมที่เป็นสังโยต์เพราะเหตุปัจจัยเหมือนกับปฏิจัการะยี่สิบสัญโยชนะทุกะสปัจญญวาระหนะึ่งปัจปจญานุโลมเป็นต้นเหตุปัจจัยสิบ สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์ทำสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุุปปัจจัยมีสามวาระเหมือนกับปฏิเจวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์ทำสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสัมมถานรูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นสังโยชน์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นและถึงทำขันธ์สองในปฏิสนธิขณะ ธรยวัตถุทําขันให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันธรรมธรไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทรมหาภูตรูปหนึ่งจิตสมุทฐานรูปและกตัตตารูปที่เป็นอุป mm. าทายรูปทำมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นขันที่ไม่เป็นสังโยชน์ธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์ทาสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่ สังโยชน์ทำขันที่ไม่เป็นสังโยชน์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสังโยชน์ทำมัทไวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นสังโยชน์และที่ไม่เป็นสังโยชน์ทำสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยได้แก่ขันสามสังโยชน์และจิตตสมุทานรูปทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นสังโยชน์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสอง สังโยชน์ธรรมไทยวัตถุให้เป็นปจัจจัยเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปธรรมมหาภูตรูปให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสังโยชน์และ ส, มสัมปยุตตขันธรรมไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสิบอสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์ทำสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และที่ไม่เป็นสังโยชน์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุถูกปัจจัยได้แก่ทิฏฐิสังโยชน์และอวิชชาสังโยชน์ทำการมราฆาสังโยชน์และสัมปยุตตขัน ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นทิฏฐิสังโยชน์และอวิชชาสังโยชน์ทำการมราคสังโยชน์และหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพึงผูกเป็นจักกนัสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์ทำสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และที่ไม่เป็นสังโยชน์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุตปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปทำขันธ์หนึ่งที่ไม่เป็นสังโยชน์และทำสังโยชน์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้น ละถึงทำขันสองพึงผูกเป็นจักกันใยขันที่ไม่เป็นสังโยธทำสังโยชธและ ug, หจจาทะทไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นสังโยชธและ ท, 1, ที่ไม่เป็นสังโยชนธทำสภาวะธรรมที่เป็นสังโยชธและที่ไม่เป็นสังโยชธให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นเพราะเหตุกปัจจัยได้แก่ขันสามทิฏฐิสังโยชธอวิชชาสังโยชธและจิตตสมุทานรูปธทำขันหนึ่งที่ไม่เป็นสังโยชธ และทำการมราคาสังโยชโยยนรราายย์ให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นละถึงทำขันสองพึงผูกเป็นจักกนัยทิฏฐิสังโยชน์อวิชชาสังโยชน์และจำปยุตขัน์ทำการมราคะสังโยชน์และหาไทยวัตถุให้เป็นปัจจัยเกิดขึ้นพึงผูกเป็นจักกนัยย่อสิองเหตุ ป, ปัจจัยมีเก้าวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเก้าวาระ วิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี9้าวาระสิบสามนเหตุปัจจัยมีสี่วาระในที่ที่มีหาไทยวัตถุได้พึงทำให้ไม่แตกต่างกันนะัอารรมะปัจจัยมีสามวาระละถึงโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระพึงเพิ่มการ น, นับสองอย่างนอกนี้และนิสยวาระอย่างนี้ยี่สิบ สัญโยชนะทุกกะหสังสัตถาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมเหตุปัจจัยสิบสสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์เกิดรกรวมกับสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์เพราะเหตุปัจจัยได้แก่ทิฏฐิสังโยชน์และอวิชชาสังโยชน์เกิดรกวมกับกามราคะสังโยชน์มีเก้าวาระอย่างนี้พึงเพิ่มเฉพาะที่เป็นอรูป สังสัตถาวาระและสัมปยุตตะวาระพึงทำอย่างนี้ย0สสัญโยชนะทุกะ 7. ปัญหาวาระหนึ่งปัจจญานุโลมหนึ่งวิพังควาระเหตุปัจจสิบห้า สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตสังโยชน์โดยเหตุุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขัน์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และที่ไม่เป็นสังโยชน์โดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตขันธ์สังโยชน์และจิตตสมมุทฐานรูปโดยเหตุตุปัจจัย 16. สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์โดยเหตุตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตขันธ์และจิตตสมมุทฐานรูปโดยเหตุตุปัจจัย ในปฏิสนธิขณะอา ร, รมณปัจจัย 17. สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์โดยอา ร, รมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารบสังโยชน์สังโยชน์จึงเกิดขึ้นพึ่มเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารบสังโยชน์ขันธ์ที่ไม่เป็นสังโยชน์จึงเกิดขึ้นพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารบสังโยชน์สังโยชน์และสัมมยุตขันธ์จึงเกิดขึ้น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 โวทานมักผลและอวัชนะจิตโดยอรมณปัจใจพระอริยะพิจารณากิเลสที่ไม่เป็นสังโยชน์ซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุขันธ์ที่ไม่เป็นสังโยชน์โดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมณ์จึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขุฟังเสียงด้วยที่ประสตาทั รู้จิตของผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ไม่เป็นสังโยชดด้วยเจโตปริยญาณอากาสานณ จ, นะจายตนะนยยตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญายตนะอาคินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะรูปายตนะตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณขันที่ไม่เป็นสังโยชดเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณ ปูเพนิวาสานุสติยานยถากรรมูปะขยานอนาคตังสยานและอาวชนะจิตโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์โดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีล ร, รักษาอุโบสถพิจารณากุศลที่เคยสังสมไว้ดีแล้วออกจากฌานละถึงยินดีเพลิดเพลินจากสุขาไทยวัตถุ ขันที่ไม่เป็นสังโยชน์เพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคะจึงเกิดขึ้นโทมานะจึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นสังโยชน์และที่ไม่เป็นสังโยชน์โดยอาระมณะปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถพิจารณากุศลที่เคยสังสมไว้ดีแล้วออกจากฌานยินดีเพลิด เ, เ, เพลินจากสุหาไทยวัตถุ ขันที่ไม่เป็นสังโยชน์เพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินจากสุเป็นต้นนั้นสังโยชน์และขันที่สัมบูญด้วยสังโยชน์จึงเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นสังโยชน์และที่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นสังโยชน์โดยอารมณปัจจัยมีสามวาระเพึงเพิ่มเฉพาะที่ปรารบไว้อธิปติปัจจัย 19. สภาวะธรรมที่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นสังโยชน์ โดยที่ปฏิปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมณนาธิปติได้แก่บุคคลทําสังโยชน์ให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นมีสามวาระมีอารมณ์อย่างหนักแน่นสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์โดยที่ปฏิปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณนาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณนาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลมีสามวาระ พึงเพิ่มอารมนาธิปติและช า, ชาตาธิปติแม้ทั้งสามวาระพึงจำแนกแม้ทั้งสามวาระสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และที่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์โดยทิปติปัจจัยมีอย่างเดียวคืออารมนาธิปติจจได้แก่บุคคลทําสังโยชน์และสัมปัชยุตขันให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นมีสามวาระอนันตระปัจจัยยี่สิบ สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็ น, mm น projeto, สังโยชน์โดยอนันตรปัจจัยได้แก่สังโยช น, น, GO, น์ที่เกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่สังโยชน์ที่ <Massachusetts> เกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์โดยอนันตระปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นสังโยชน์ซึ่งเกิดก่อนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นสังโยชน์ซึ่งเกิดหลังๆัง ละถึงพระสมมาบัติโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์โดยอนันตรปัจจัยได้แก่คันที่ไม่เป็นสังโยชน์ซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่สังโยชน์ที่เกิดหลังๆโดยอนันตระปัจจัยอาวชนะจิตเป็นปัจจัยแก่สังโยชน์โดยอนันตระปัจจัยเพึงเพิ่มแม้ทั้งสองวระอย่างนี้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 เป็นปัจจัโโ ย, ย, ย, จจย er. จะะโดยนิสยปัจจัยมยีก้าวาระอุปนณิสยาปัจจัย2 2สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์โดยอุปนณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสยาอนันตูปะนิสยาและปะกะตูปนิสยาปกะตูปะนิสยได้แก่สังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สังโยชน์โดยอุปาณิสยปัจจัย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 อาศยศีลปัญญาราคะความปรารถนาะเสนาสนะแล้วให้ทานละถึงทำลายสง์ศธธาเสนาสนะเป็นปัจจัยแห่ศรัทธาพละสมาบัติโดยอุปาเนสยปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เป็นสังโยชน์โดยอุปาเนสยปัจจัยมีสมอย่างคืออรัมณูปานินสยอนันตรูปาเนสยและประกรตูปาเนสย ประกาตัปาณิสิยะได้แก่บุคคลอ่าใสศรัทธาแล้วมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลไสนาสนะแล้วฆ่าสัตว์ทำลายสงศรัทธาใสนาสนะเป็นปจัจจัยแหรราคะความปรารถนาะโดยอุปาณิสิยะปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เป็นสังโยชน์และที่ไม่เป็นสังโยชน์โดยอุปาณิสิยะปัจจัยมีสามอย่างคืออารัมณูปาณิสิยะ อนันตารปานิสยะและปะกะตูปะนิสยะปะกะตูปานิสยะได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาแล้วมีมานะเธอทิฏฐิอาศัยศีลละถึงเสนาสนะแล้วฆ่าสัตว์ทำลายสงศ์ศรัทธาเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่สังโยชน์และสัมบุญตะขันโดยอุปาณิสยาปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และที่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นปจัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์ โดยอุปานินสยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตะปัจจัย24สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์โดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณะปุเรชาตะได้แก่บุคคลเห็นแจ้งจากสุหาไทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงโทมณ์จึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยที่ประจักขุ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 เป็นปัจจัยแฉสภาวธรรมที่เป็นสังโยน์โดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณะปุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลเพลนจากสุหาไทยวัตถุเพราะปรารโคความยินดีเพลเพลนจากสุเป็นต้นนั้นราคาจึงเกิดขึ้นโทมณ์จึงเกิดขึ้นวัตถุปุเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุ เป็นปัจจัยแก่ ส, ส, ส, สังโยชน์โดยปุเรชาติปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และที่ไม่เป็นสังโยชน์โดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณบุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณบุเรชาตะได้แก่บุคคลยินดีเพลิดเพลินจากสุขทายวัตถุเพราะปรารบความยินดีเพลิดเพลินจากสุขเป็นต้นนั้นสังโยชน์และสัมบุญตะขันจึงเกิดขึ้น วัตถุปุเรชาตะได้แก่ภาทยวัตถุเป็นปัจจัยแห่สังโยชน์และสังบัญญัติขันโดยปุเรชาตะปัจจัยปัจฉาชาตะปัจจัยยีสห้าสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์โดยปัจฉาชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์โดยปัจฉาชาตะปัจจัย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 โดยธรรมะปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยวิปากรปัจจัยมีหนึ่งวาระเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยอินทรียะปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยชานะปัจจัยมีสามวาระเป็นปัจจัยโดยมัคคะปัจจัยมีเ้าวาระเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตปัจจัยมี9้าวาระวิปยุตตะปัจจัย28สภาวะธรรมที่เป็นสังโยชน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 โดยวิปยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือบุเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจใจแสวงโยชน์โดยวิปยุตตปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสังโยชดเป็นปัจใจแ่สภาวธรรมที่เป็นสงโยชดและที่ไม่เป็นสังโย์โดยวิปยุตตปัจจัยมีอย่างเดียวคือบุเรชาตะได้แก่หาไทยวัตถุเป็นปัจใจแสวงโยชดและสัมบยุตภันโดยวิปยุตตปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และที่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์โดยวิปยุตตะปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัชาชาตะพึงจำแนกไว้อธิปัจจัย29สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์โดยอธิปัจจัยมีหนึ่งวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ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 คือสหชาตะปุเรชาตะปัจฉาชาตะอาหาระแล ะ, ะอินทรีย์โยสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์โดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปุเรชาตะสหชาตะได้แก uh. ่คันที่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตสังโยชน์โดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก uh. ่ บุคคลยินดีเพื่อเพลินจากสุหาไทยวัตถุเพราะปรารกความยินดีเพื่อเพลินจากสุเป็นต้นนั้นราคาจึงเกิดขึ้นโทมานะจึงเกิดขึ้นหาไทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่สังโยชน์โดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และที่ไม่เป็นสังโยชน์โดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและปุเรชาตะสหาชาตะได้แก่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 บุเรชาตตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนะปัจจัยมีเ้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระมหารปัจจัยมีสามวาระเอ็นตริยะปัจจัยมีสามวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัคราปัจจัยมีเก้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีเ้าวาระวิปยุตตาปัจจัยมีห้าวาระ อธิปัจจัยมีฆ้าวาระนัตถิปัจจัยมีฆ้าวาระวิคตะปัจจัยมีฆ้าวาระอวิคตะปัจจัยมีฆ้าวาระอนุโลมจบ 2. ปัจจียุทธาระสาสสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์โดยอารหันตปัจจัยสหชาตะปัจจัยและอุปาเนสียปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์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 โดยอรมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอนิสิยาปัจจัยปุเรชาตปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยกรมมปัจจัยอาหาระปัจจัยและอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์โดยอรมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสิยาปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นสังโยชน์ เป็นปัจจ <est> ัยแข่สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และที่ไม่เป็นสังโยชน์โดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัย 35. สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และที่ไม่เป็นสังโยชน์เป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์โดยอารมณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และที่ไม่เป็นสังโยชน์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 ณเฮตุปัจจัยมีเ้าวาระณอารมณะปัจจัยมีเ้าวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละเ้าวาระโนอวิคตาปัจจัยมีเ้าวาระสปัจจญานุโลมปัจญียะเฮตุทุกขในสามสิบเจดณอารมณปัจจัยเขเผตุปัจจัยมีสวาระและถึงณสมณันตระปัจจัยมีสี่วาระณอัญญามัญญปัจจัยมีสองวาระ ณอุปาณิสยปัจจัยมีสี่วาระละถึงนมัคาปัจจัยมีสี่วาระณสัมปยุตตะปัจจัยมีสองวาระณวิปยุตตปัจจัยมีสี่วาระโนนัติปัจจัยมีสี่วาระโนวิคัตปัจจัยมีสี่วาระ 4. ปัจยปัจญิยานุโลมนเหตุทุกขะนสามสิรามะณปัจจัยคำนเหตุปัจจัยมี9้าวาระ อธิปฏิปัปจใจเมฆ้าวาระพึงแจกอนุโลมมาติกาอาวิคตะปัจใจเมฆ้าวาระสัญโยชนะทุกกะจบยี่สิบเอ็ดสัญโยชนิยทุกกะหนึ่งปฏิจจาระเป็นต้นสาสิบเกสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยสอาสัยสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยดเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยได้แก่ ขันสามและจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอารมณ์ของสังโญญาเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะพาไทยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้นอาศัยมหาภูต ร, รูปหนึ่งเหมือนกับโลกิยะทุกกะในจุลันตระทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันสัญโยชนิยทุกกะจบ ยี่สิสัญโยชนะสัมปยุตตทุกะ 1. ปฏิจจวาระหนึ่งปัจญานุโลม 1. วิพังคาวาระเหตุปัจจัย40สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์เกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสอง สภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุจด้วยสังโยชน์เกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยสังโยชน์และที่วิปยุจจากสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุจด้วยสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่สัมปยุจด้วยสังโยชน์เกิดขึ้น ละถึงอาศัยขันสอง 41. สภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่วิปยุจจากสังโยชน์เกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองจิตตสมุทฐานรูปอาศัยโมหะที่สหอรคตด้วยอุทจัจจะเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะ ละถึงอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่วิปยุทธจากสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่สัมปยุทธะขัน์อาศัยโมหะที่สหรโคดูทะจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และที่วิปยุทธจากสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่วิปยุทธจากสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจได้แก่สัมปยุทธะขันและเจิตตะสมุทฐานรูป อาศัยโมหะที่สหะรคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้น42สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และที่วิปยุทธ์จากสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งและโมหะที่สหรคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองสภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ และที่วิปยุจจากสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจใจได้แก an ่จิตตสมุ no. ทฐานรูปอาศัยขันที่จำปยุจด้วยสังโยชน์และอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันและโมหะที่สหรคตด้วยอุทจจะเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่จำปยุจด้วยสังโยชน์และที่วิปยุจจากสังโยชน์อาศัยสภาวะธรรมที่สัมปยุจด้วยสังโยชน์และที่วิปยุจจากสังโยชน์ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งและโมหะที่สหรโคด้วยอุทะจะเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองอารมณปัจจัย43สสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชมาอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยช์เกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่อาศัยขันหนึ่งที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยด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 ขันสามและโมหะอาศัยขันหนึ่งที่สห์ราก็ดูถ้าจะเกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสอง44สภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่วิปยุจจากสังโยชน์เกิดขึ้นละถึงอาศัยขันสองในปฏิสนธิขณะขันอาศัยหาไทยวัตถุเกิดขึ้น สภาวธรรมทีสส่สัมปยุท <jak> ธ์ด้วยสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่วิปิวจากสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่สัมปยุทธ์ตขันอาศัยโมหะที่สหรรคด้วยอุทะจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์และที่วิปิวจากสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งและโมหะ ที่โสรโคดีอุทะเจเกิดขึ้นและถึงอาศัยขันสองอธิปติปัจจัยสีสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชนาอาศัยสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชดเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์อาศัยสภาวะธรรมที่วิปยุจจากสังโยช์เกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระ สภาวธรรมที่วิปยุจากสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุจ ด, ด้วยสังโยชน์และที่วิปยุจากสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะอธิปฏิปัจจัยได้แก่จิตตาสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่สัมปยุจ ด, ด้วยสังโยชน์และอาศัยมหาภูต ร, รูปเกิดขึ้นยอ่อ 1. ปัจจญานุโลม 2. สังคยาวาระสุทไนัย่สิบเหตุ ป, ปัจจัยในข้าวาระ อารามณะปัจจัยม er, ีหกวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระอนันตระปัจจัยมีหกวาระสมณันตระปัจจัยมีหกวาระสหชาตปัจจัยมีเ้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระนิสยปัจจัยมีเ้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีหกวาระปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระอสิวะณปัจจัยมีหกวาระกรรมปัจจัยมีเ้าวาระ วิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยมี9ก้าวาระอินทรียปัจจัยมี9้าวาระชานะปัจจัยมี9ก้าวาระมรรคปัจจัยมี9ก้าวาระสมปรยุตตปัจจัยมีหกวาระวิปยุตตปัจจัยมี9้าวาระอัติปัจจัยมี9ก้าวาระนัติปัจจัยมีหกวาระวิคตะปัจจัยมีหกวาระอวิคตะปัจจัยมี9ก้าวาระอนุโลมจบ ส ป, ปัจจะยะปัจจเนยะหนึ่งวิพังทวาระนัเหตุตกปัจจัย่สิเจสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะนัเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉาอาศัยขันธ์ที่สหรตด้วยวิจิกิจฉาเกิดขึ้นสภาวธรรมที่วิปิยุจากสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสังโยชน์ เกิดขึ้นเพราะน่าเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่จะหอโรคโธติอุทัจจะอาศัยขันที่จะหอโรคโธตอุทัจจะเกิดขึ้นสภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยชน์เกิดขึ้นเพราะน่าเหตุปัจจัยได้แก่าก อ, จจกอาศัยขันหนึ่งที่ไม่มีเหตุซึ่งวิปยุจจากสังโยชน์พึง เ, เพิ่มข้อความจนถึงอาศัญญสัตตพรมยอ่อสองปัจจยะปัจญจิยะ สสังคยาวาระสุทนาย48่ณเหตุปัจจัยมีสามวาระณอารมณปัจจัยมีสามวาระณอธิปติปัจจัยมี9้าวาระณอนันตรปัจจัยมีสามวาระณสมณันตระปัจจัยมีสามวาระณอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระณอุปาณิสยปัจจัยมีสามวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีเจดวาระ นปัจาชาติปัจจัยมีเก้าวาระนาอสวนาปัจจัยมีเก้าวาระนกรรมะปัจจัยมีสวาระนวิปากะปัจจัยมีเ้าวาระนาอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระนอินทะรียปัจจ ah so ัยมีหนึ่งวาระนาานะปัจจัย <puede> ม <plausible> ีหนึ่งวาระนมัคคปัจจัยมีหนึ่งวาระนสัมปยุตตปัจจัยมีสมวาระนวิปยุตตปัจจัยมี6วาระ โนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระปัจญี่ยจบสปัจจญานุโลมปัจญี่ยเหตุทุกข์ในสี่สิเกนอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระนอธิปติปัจใจมีเก้าวาระและถึงนอุปาณิสยปัจจัยมีสามวาระนบุเรชาตะปัจจัยมีหกวาระ นปัจฉาชาตปัจจัยมีเก้าวาระนอาศวนปัจจใจมีเก้าวาระนกรรมปัจใจมีสี่วาระนวิปาะกปัจจัยมีเก้าวาระณสัมปยุตตะปัจใจกะเพรตุปัจจัยมีสามวาระณวิปยุตตปัจใจมีสี่วาระโนนาธิปัจจัยมีสามวาระโนวิคตะปัจจัยมีสามวาระสปัจยะปัจญียนุโลมนเหตุตทุกขไน ห้าอารมณะปัจจัยกับน่ะเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระมหาราปัจจัยมีสามวาระละถึงมรรคปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสมวาระสหาชาตะวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ